พุทธนธรมเอกหมวนที่สี่โดยพระอาจารย์มหามนูสุมนูจเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เราก็มาว่ากันบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระประถมสมโพธิ์ต่อวันนี้ก็ถึงปริเฉตที่เจ็ดในปริเฉตที่เจ็ดนี้ ว่าด้วยทุกรกิริยาปริวัติในปริเชตที่ว่าด้วยทุกขระกิริยาปริวั ต, น, ททวววตนี้หมายถึงว่าตอนที่พระมหาบุรุษทรงกระทำทุกรกิริยาคือการกระทำความเพียรที่ทำได้อย่างยากยิ่งในแก่ตอนที่พระโพธิสัตว์นั้นได้ทรงบาเพ็ญเพียรโดยตั้งพระทยัยบาเพ็ญอย่างแรงกล้า เป็นการบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดที่สุดยากที่ใครๆจะทำได้การเมื่อพระมหาบุรุษนั้นได้ทรงบรรพชาและได้รับสั่งให้นายชนะนำมา้าคันตะกลับไปยังกรุงกบิลพัทเพื่อกราบทูลความประสงค์ และความเป็นไปของพระองค์แด่พระราชบิดาพระราชมันดาพระอัครชายาและพระราชโอรสเป็นต้นในตอนแรกในครั้งแรกนั้นนายชนะทูลขออยู่เฝ้าปรนิบัติจนกว่าชีวิตจะหาใหม่คือไม่ประสงค์ที่จะกลับไปไม่ประสงค์ที่จะกลับไปกรุงกมิลพัทอยากจะทูลขออยู่เฝ้าพรนิบติ จนกว่าชีวิตจะหาหม่แต่พระบรมโพธิสัตว์ตรัสว่าจะทำเช่นนั้นมีได้เพราะทางพระราชวังกรุงกบิลพัฒน์นั้นจะมีทุกโศกมากเนื่องจากไม่ได้รับข่าวจากพระองค์ถ้าเราจะวิจารณ์ในข้อนี้การที่นายชนะไม่อยากจะกลับกรุงกบิลพัฒน์อยากจะอยู่พรติบัตินิบัติจนชีวิตจะหาใหม่นี้ก็มีอยู่วยกันสองประกาศ คือประการหนึ่งเป็นเพราะเหตุที่วันนายชนะนี่เป็นอเอป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อพระมหาบุรุษซึ่งท่างกล่าวว่าในขณะที่พระมหาบุรุษยังอยู่ในพระราชวังนั้นนะนายชนะผู้นี้เนี่ยนอนเฝ้าน อ, นอกหน้าประตูเลยหน้าที่เรียกว่าเอาศรีรษะของตอนเองเนี่ยพาดกับอ่าธรณีประตูคอยเพื่อจะปกป้องให้พระมหาบุรุษนี้ ไม่ให้ได้รับอันตรายต่างๆนานาเพราะฉะนั้นตนเองเป็นคนที่มีความจงรักภักดีแล้วก็มีความอาอะไรพระมหาบุรุษมากกลัวว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นประชาอยู่แต่พระองค์เดียวแล้วซึ่งพระองค์ไม่เคยกระทําเช่นนั้นพระองค์เป็นกษัตริย์สุขุมมรชาติกิจการการหนักหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะอที่จะกระทํางานหนักนั้นก็ไม่เคยมี มีบุคคลอื่นที่ปลนเปลยทั้งนั้นแต่บัตรนี้พระองค์นั้นนะอยู่แต่เพียงพระองค์เดียวก็จะลาบากในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจงรักภักดีนี้ก็คิดอยากจะปลนนิบัติจนกว่าชีวิตจะหาไม่นี่เป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่นายฉชนะไม่อยากจะกลับกรุงกบิลพัทนั้นก็ยังไม่ได้เชื่อแน่ว่าตนเองไปแล้วจะมีอันตรายหรือไม่ พระเที่ว่าได้นําเครื่องประดับตกแตง่งแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่พระอามหาบุรุษได้ติดตัวมานั้นนะ่ะได้มอบให้แก่นายชนทะทั้งหมดแล้วก็ให้นําม้าเนี่ยกับกรุงก บ, บิลพัทเพื่อไปกราบทูลในทราบไม่ทราบว่าพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยจะมีกุพระไทยที่เชื่อหรือเปล่าถ้าหากว่าพระเจ้าสุโธทนะหรือใครๆเนี่ยเกิดคิดไปว่านายชนะผู้นี้ได้ฆ่ามหาบุรุษแล้ว เพื่อต้องการอ่าเพื่อต้องการแก่ทรัพย์สมบัติที่ติดตัวไปนั้นนายชนะก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่นี่เป็นการที่เราจะสันนิษฐานกันได้อีกประการหนึ่งดังนั้นนายชนะนี่จึงไม่อยากจะกลับแต่เข้าใจว่าคงจะเป็นด้วยเพราะเหตุความจงรักภักดีมากกว่าแต่พระโพธิสัตว์นี่ก็ตรัสว่าจะทําเช่นนั้นไม่ได้ เพราะทางพระราชวังจะเกิดความเป็นห่วงเมื่อพระองค์หายไปจะได้รับความทุกโศกอย่างมากว่าพระองค์คงจะได้รับอันตรายแก่ชีวิตเป็นอย่างแน่นอนจึงได้ทรงเรียกว่าทรงบังคับแนะนำและแกมบังคับให้ในายชนะนี่กลับไปในวันนั้นนายชนะนี่ก็จาเป็นก็จึงได้กราบทูลลาพระองค์กลับ นำม้ากันตกาดด้วยแม้ม้ากันตกะดนั้นท่านก็กล่าวว่ามีอาการโศกเศร้าเสียใจอะไรรักพระองค์เป็นอย่างยิ่งไม่อยากจะจากพระองค์ไปเคยเป็นข้ารับท้ยให้ได้ขี่หลังอยู่เสมอทรงประทับบนหลังอยู่เสมอก็ได้แลบลิงของตัวเองนั้นเลียพระบาทของพระโพธิสัตว์เป็นการกราบทูลลานายชนะ น, นี้ก็จึงได้ขึ้นควบมานในเดินทางกลับกรุงก บ, บิลพัท แต่มากันตะาานั้นด้วยความรักความอะไรต่อพระมหะาพรบรมโพธิสัตว์เป็นอย่างมากจึงได้เกิดการคับแค้นแน่นใจหายใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคล้อยหลังผ่านสายตาที่พระมะหาดูแลได้แล้วมากันากะนี้ก็ได้แก่วัดใจวายตายหรือว่าขาดใจตายในระหว่างทางนั่นเองแล้วก็ได้ขึ้น าตายไปแล้วก็ด้วยอนุภาพแห่งความสวามีพักจงรับภักดีนั้นก็ได้ไปอุบัติขึ้นในดาวดึงเทวโลกเป็นเทพบุตรองค์หนึ่งได้นามว่ากันเถกะเทพบุตรในชนะนั้นมีความสงสารมากันเถกะเป็นอย่างมากก็จึงได้เก็บเอาดอกไม้มาบูชาศพมากันเถกะ แล้วก็เดินเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงกรุงกบิลพัทนำความขึ้นกราบทูลให้พระเจ้าสุโทธทนะและบุคคลในราชสำนักนั้นทราบเรื่องโดยตลอดทางราชสำนักและชาวกรุงกบิลพัทนั้นซึ่งมีความโศกเศร้าอันไลถึงพระบรมโพธิสัพท์คันได้ทราบความประสงค์และความเป็นไปของพระองค์อย่างเช่นนั้นแล้วก็ค่อยบรรเทาความ โศกเศร้าลงไปบ้างและก็ตั้งใจรอคอยการตัดสรุเป็นพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าโดยทั่วกันในเวลานั้นเองโกนทัญญะพราหมณ์ได้ทราบข่ า, ขาวคราวการเสด็จออกบรรพชาของพระบรมโพธิสัตว์ก็มีความเชื่อแน่ในใจ ซึ่งตนเองเชื่อในตำราหมอดูของตนเองเป็นอย่างมากว่าพระองค์นั้นเมื่อออกบวชแล้วจะได้ตัดสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนก็จึงได้ไปชวนบุตรของพรามที่เคยทำนายลักษณะร่วมกันแก่ร่วมกันในครั้งที่พระโพธิสัตว์นั้นมีพระชนมยุทธได้ห้าวันซึ่งรวมแล้วพรามอีกเจ็คนนั้นก็รวมเป็นแปคนทั้งโกลเยะพราม แต่เมื่อโกนทัญญาพราหมณ์นั้นไปแต่เมื่อโกนัญญาพราหมณ์นั้นได้ไปหาบุตรของพราหมณ์ทั้งเจ็ดคนซึ่งแต่ละคนนั้นก็บิดาได้สั่งไว้ว่าถ้าหาพระมหาบุรุษนี้ออกบวชนะถ้าหาวพระมหาบุรุษนี้ออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเจ้าจงออกบวช แต่เมื่อโกนธัญญาพรามไปชวนแล้วปรากฏว่ามีคนที่จะสมัครใจบวชติดตามพระมหาบุุรไปไปด้วยกันนั้นมีอยู่เพียงห้าท่านเท่านั้นเองก็คือวัปปะพัทยมหานามะอาศชินอกนั้นบวชของพรามอีกสามคนไม่ยอมออกบวชดังนั้นโกนธัญญากับมานกอีกสี่คนนั้นก็ดึงได้พร้อมใจกันอธิษฐานเพศ บรรพชาคือว่าอธิษฐานเพศตัวเองเป็นนักบวชหรือว่าเป็นบนรรพชิตรวมกันแล้วทั้งหมดเป็นห้าคนก็จึงได้นามบัญญัติว่าปัญจวัคคีแปลว่าผู้มีพวกห้าแล้วก็จึงกันอันได้ชวนกันสืบสอะแสวงหาติดตามพระมหาบุรุษในคามนมิคมต่างๆมาพบพระองค์เข้าที่อุรุเวลาเสนา อ, อ, อุรุเวลาประเทศเอง ได้เห็นพระองค์แล้วก็กระทำความกระทาความเพียรอยู่กระดมลิกว่าคงจะได้ตรัสรู้แน่ก็จึงได้พากันทําวัดปฏิบัติต่อไปพระมหาบุรุษนั้นเมื่อได้ส่งนายชนะกลับมา ก, กันตกะกลับกลุ่มกบิลพั์แล้วก็จึงประทับอยู่แต่พระองค์เดียวทรงได้รับความสงบกายสงบใจพระไทยเป็นอย่างยิ่ง ทรงพิจารณาเห็นความปรวนแปลของโลกอยู่ช่วงระยะหนึ่งต่อแต่นั้นก็พระองค์ก็ได้เสด็จประทับอยู่ณอนุปิยะอัมภวันทรงย้ำยังอยู่ในสถานที่นั้นเป็นเวลาถึงเจ็ดวันขั้นยากวันที่แปดพระองค์ก็เดชเสด็จออกจากภัยสนนั้นจาริกไปโดยลำดับ ไปตามป่าเขาลำเนาไพลสเสด็จถึงแม่น้ำสายหนึ่งใกล้กรุงราชคราชธานีก็ได้สเสด็จสงน้ำที่แม่แม่น้ำนั้นขั้นถึงในเวลาตอนเช้าพระองค์ก็ได้สเสด็จเข้าไปวิบทบัติอย่างกรุงราชคฤืนั้น ปรากฏว่าประชาชนทั้งเมืองเห็นเข้าก็แตกตื่นโกลาหล์น์นคิดกันไปต่างๆนานาว่าสมณะองค์นี้เป็นมนุษย์หรือเปล่าเพราะเท่าที่เห็นมาสมณะต่างๆนั้นไม่ได้เคยนุ่งห่มผ้าหรือมีความสง่างามหรือห่มนุ่งห่มผ้าเป็นปริมณฑลเรียบร้อยอย่างนี้เลยเพราะว่าสมณะหรือว่านัก บ, บวชบางพวกนั้นก็ไม่โกนผมโกนหนวด ปล่อยผมยาวลุงลังปล่อยหนวดยาวลุงลังบางพวกก็นุ่งห่ผมผ้ากันน้อยบางพวกก็ไม่นุ่งซะเลยบางรวกพวกก็ใช้ขี้เท่าทาตัวต่างๆนานาแต่พอไม่เห็นพระมหาบุรุษเข้าก็จินได้คิดต่างๆนานาบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นพระอินทร์นั่นแปลงตัวลงมาเพื่อมาดูความเป็นไปของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนที่มีศีลมีธรรมหรือเปล่าบางคนก็กล่าวว่าอาจจะเป็นผู้ผีปีศาจ แปลงตัวมาเพื่อจะล่อให้มนุษย์หลงแล้วก็จะได้จับปินเสียบางตนก็คิดว่าอาจจะเป็นพวกนาที่แปลงปลอมมาเหล่านี้เป็นต้นความโกราหนี่แหละได้ทราบถึงพระกันของพระเจ้าพิมพิสารโดยราชบุตรนั้นได้กราบทูลเรื่องนี้พระองค์ก็จึงได้ทรงตรัสให้ติดตามดูไปห่าง โดยพระองค์ให้อ่าโดยพระองค์อ่าโดยพระองค์นั้นได้ทรงแนะนําไว้ว่าถ้าหากบุคคล น, นี้เป็นเทวดาเมื่อออกไปจากนอกเมืองแล้วก็จะเหาะหายไปจะเหาะขึ้นไปแต่ถ้าเป็นผู้ผีปีศาจเมื่อออกไปนอกเมืองแล้วก็จะหายไปถ้าหากเป็นพญานาคเป็นนาคเมื่อออกไปนอกเมืองแล้วก็จะแทรกพื้นดินหนีไป แต่เท่าเป็นมนุษย์หรือเป็นคนธรรมดาแล้วก็จะต้องหาที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อบริโภคอาหารเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็ขอให้กลับมาบอกพระองค์เมื่อพระมหาอามเพื่อพระมหาบรุษนั้นได้บินทบาทในกรุงราชครึได้ได้อาหารพอที่จะยังตนยังชีวิตเขาตนเองให้ อยู่ไปได้แล้วพอแก่ความต้องการแล้วก็จึงได้เสด็จออกจากนอกพระนครไปประทับอยู่ณนเะชิงภูเขาบรรดวะลูกหนึ่งคือที่ลงเงาแห่งภูเขาบรรดวะลูกหนึ่งภูเขาบรรดวะนี้เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงลูกหนึ่งในบรรดาภูเขาห้าลูกเดยกันซึ่งกรุงกบิลพัทอายกรงุง รกรุงราชเกลนีมีภูเขาที่มีชื่อเสียงอยู่เดียกันถึงห้าลูกก็คือหนึ่งภูเขาอภูเขาเวภาละซึ่งอสองภูเขาเวปุละสามภูเขาปันดวะสี่ภูเขาคิเชกูดและก็ห้าภูเขาอิสิคิล ภูเขาทั้งห้าลูกนี้เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่กรุงราชคลือพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้ปลูกประสาทของพระองค์ประสาทพระราชาวังของพระองค์ภายในหุบภูเขาทั้งห้าลูกนี้คือมีภูเขาทั้งห้าลูกนี้แหละเป็นกำแพงกั้งเพราะฉะนั้นเคยมีข้าสึกพระอัมพนครอนเคยมีกษัตริย์แห่งพระนคร อ, อื่นนั้น เคยยกกลองกองทัพมาเพื่อจะย่ํำยีกรุงราชคลีละะลนี้ก็ไม่สามารถที่จะตีได้แตกหลายครั้งหลายคราด้วยกันเพราะเหตุที่ว่าขวางกําแพงธรรมชาติคือภูเขาทั้งห้าลูกนี้ภูเขาทั้งห้าลูกนี้นั่นนะลูกที่หนึ่งที่ชื่อว่าเวพาละที่ได้ชื่อว่าเวพาระนี้เพราะว่าภูเขาลูกนี้มันมีเงื้อนฉงงา พอที่จะบังแดดบังฝนเวลาในขณะฝนตกหรือแดดออกได้เป็นเนื้อออกมาจึงได้ชื่อเวฬุพะละภูเขาเวฬุพะละนี่แหละเป็นภูเขาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาประการหนึ่งคือที่เชิงภูเขาเวฬุพะละนี้มีถ้ำถ้ำหนึ่งที่ชื่อว่าอ่ามีถ้ำถ้ำหนึ่งอันเป็นที่อยู่ของอท่านพระมหากรสปะในครั้งที่ท่าน แก่เท่าฉลาหลังจากทําปฐมสังขยาแล้วอยู่ณภูเขานี้เป็นที่เล่นลับอยู่ประจําภูเขาไอ้ถ้ำแห่งนี้ชื่อว่าปิดผลิคูหาซึ่งปิดผลิคูหานี้บางท่านก็กล่าวว่าที่หน้าถ้านี้มีต้นดีปรีต้นหนึ่งมีต้นบดีปรีต้นหนึ่งเพราะฉะนั้นชื่อถ้านี้จึงได้เรียกว่าถ้าต้นดีปลีแต่ผู้บรรยายคิดว่า คำว่าปิพภลินั้นน่าจะเป็นชื่อของท่านพระมหากษัตริยมากกว่าเพราะท่านพระมหากษัตริยเทละนี้ก่อนที่ท่านจะอุปสมบทนั้นท่านมีนามว่าปิพภริมานกเพราะฉะนั้นเมื่อบวชแล้วเหมือนกับพระไถยบางคนอาจจะเรียกชื่อเดิมพระนั้นพระนี้ชื่อเดิมบางคนก็อาจจะเรียกว่าพระปิพภริเทละบางก็ดได้ผู้เขาเวพาลานี ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็คือว่าเป็นที่กระทําประทมมสังขายนาหรือปรมสังขีติขั้งแรกทำที่หน้าธรรมที่เชิงเขาหน้าธรรมเวพาลบันพดนิน่อ้หน้าไอที่เชิงเขาไอ้เชิงเขาเกวพาลบันพดนี้ซึ่งในการกระทำประทมสังขายนานี้มีพระเจ้ า, าชาติศัตรูนั้นเป็นศาสนูประถมพก พระเถระที่องค์สาคัญในการกระทระสมสังเวยนานี้ก็คือท่านพระมหาเกษะท่านพระอุบาลีเถระแล้วก็ท่านพระอ น, น์พุทธอนุชาร่วมทั้งพระอาหารหันด้วยเป็นห้าร้อยพระองค์เลยกันสังเวนาครั้งนี้กระทำถึงธาเจ็ดเดือนจึงจะสำเร็จนี่เกี่ยวข้องพุทธศาสนาอย่างนี้นี่ภูเขารูปที่หนึ่งคือเวพาละรูปที่สองคือเวปุละ เวปุละนี่ที่เราเรียกกันว่าภัยบูนภูเขาลูกนี้เต็มไปด้วยต้นยานานาพันธต้นไม้านานาพันซึ่งมีประเภทที่ว่าทำยากันได้คนไทยเราไปประเทศอินเดียที่ไปนำต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นยาที่เรียกว่าเป็นยาแก้เบ า, วเบาวหวานนั้นก็นำมาจากที่ภูเขาวเวปุลละนี้ภูเขาวเวปุลละนี้ก็ยังไม่่าที่ ซับบมายังไม่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาแต่ว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นคือศาสนาเชนคือเป็นสถานที่ศาสนาเชนคือศาสดามหาวิระนั้นสแสดงประทมะเทศนาคือเทศห์ครั้งแรกที่นี่โดยตนเองถือว่าตนเองได้ตัดสินเหมือนกันแล้วก็เท่ห์ครั้งแรกโปรดสานุสิกครั้งหน้ที่นี่ที่ภูเขาปันดัมเวปุระนี้ภูเขาลูกที่สามนั้นคือภูเขาปันฑวะ บรรดวะในที่นี้ก็คือรูปร่างของภูเขาลูกนี้มีรูปร่างเหมือนกับบรนดาะบรนดาะที่พรามนั้นเลยแกว่งตีเป็นกรองสองหน้ารูปร่างคล้ายอย่างนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นบรรดวะภูเขาบรรดวะนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือเป็นสถานที่ที่พระองค์นั้นพระมหาบุรุษนั้นเมื่อรับบิทาบาทจากกรุงราชคลึกแล้วก็ไปประทับนั่งที่ล้มเงาแห่งภูเขาพุนทวะบรรดวะนี้ สวยภคยาหารภูเขารู่ที่สีคืออ่าภูเขาคิจกุฎภูเขาคิจกุฏนี่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็คือเป็นที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสเสด็จมาที่กรุงราชพฤกษ์นั้นมักจะปรีพระองค์ไปประทับอยู่ที่ยอดเขาคิจกุฏลุงนี้เป็นประจําปัจจุบันนี้พระคันธกุลดีก็ยังมีอยู่ ซึ่งทางอินเดียนั้นก็ได้อนุรักษ์ไว้เป็นวัตถุโบราณคิดจะกูนั้นคิดชาาแปะ ว, ว่าแรงกูตับและ ว, ว่ายอดภูเขาลูกนี้มีอาธิบายเป็นสองในเดีกันบางท่านก็ได้กล่าวว่ายอดภูเขาลูกนี้นั้นเมื่อดูไกลๆแล้วเหมือนกับมีลักษณะเหมือนกับแหลงจับลักษณะที่เหมือนกับแยแงที่จับ อยู่แต่บางท่านก็กล่าวว่าภูเขาลูกนี้นั้นนะ่ะมีแล้งจับที่ยอดยอดเขาลูกนี้มีแล้งจับเป็นประจำเพราะเหตุว่าเทือกแห่งภูเขาคิจกดูดี้มียุติกันสองเทือกคือเทือกที่สูงกับเทือกที่ทต่ำในระหว่างเทือกเขาทั้งคู่นี้เป็นช่องเขาที่เราเรียกกันว่าเหว ช่องเขานี้เป็นมีเหวที่เรียกว่าในระหว่างช่องเขานี้เป็นเหวเหวนี่แหละเป็นที่สำหรับทิ้งโจรของเมืองราชครึกคืออยู่นอกปราสาทราชวางังนอกเมืองราชครึกไปสำหรับที่เป็นที่ทิ้งนักโทษที่ถูกประหารชีวิตหรือนักโทษที่ถึงแก่ต้องจะต้องประหารชีวิตคืออาจจะทิ้งทั้งเป็นเลยลงในภูเขาลูกนี้ เพราะฉะนั้นแหลงเนี่ารู้สถานที่นี้เข้าก็เรียกว่ามาคอยกินเหยื่อหรือกินเนื้อมนุษย์เป็นประจำก็จึงมาจับคอยอยู่ที่ภูเขาลูกนี้คือเป็นลูกภูเขาลูกที่เรียกว่าลูกที่ต่ำหรือมิฉะนั้นก็เรียกว่าเมื่อกินเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาไซขนไซปิกอยู่บนภูเขานี้เพราะฉะนั้นยอดภูเขานี้ก็จึงมีแล้งจับเป็นประจาจึงได้ชื่อว่าคิชกุ ลูกที่ห้านั้นอิสิคิลิอิสิคิลินั่นหมายถึงว่าแปลตามศัพท์แล้วก็แปลว่าภูเขาที่เกลืนกลินพาหรือสีหรือนักบวชตามประวัติท่านในกล่าวว่าที่ภูเขาอิสิคิลิลูกนี้เคยเป็นมีถ้าอยู่เป็นที่อาศัยของพระประเจรกพุทธเจ้าถึงห้าร้อยพระองค์พระประเจระพุทธเจ้านั้นในตอนเช้า ก็ออกมาบิทบาทออกจากภูเขาอิสิคิลินี้มาบิทบาทในบ้านของประชาชนแต่ว่าประชาชนนั้นไม่เคยเห็นว่าพระประเจกพุทธเจ้านี้ออกมาจากภูเขาลูกนี้เมื่อเห็นแล้วก็เห็นพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านของตนเองเพื่อบิทบาทก็จึงได้ใส่บาตรใส่ใ ส, ใส่ใส่บาตรแก่พระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้ามันรับบาตรพอ การกระทำสมควรแล้วก็จึงได้เหาะไปสู่ภูเขาอิซิคิริลูกนี้ประชาชนเห็นแต่ในขณะที่พระประเจปชกพระเจ้านี้เหาะเข้าไปในภูเขาลูกนี้แต่ไม่เคยเห็นท่านเหออกก็คิดว่าภูเขาลูกนี้มีอาถงเมื่อพระทั้งหลายหรือพวกนักบวชทั้งหลายเข้าไปแล้วไม่มีทางออกมาเลยกลืนกินไปหมดจึงให้ชื่อภูเขาลูกนี้ว่าอิสิคิริภรูเขาทั้งห้าลุมนี้แหละ เป็นที่เป็นชื่อที่โด่งดังมากในครั้งพุทธกาลในชมพูทวีปดังนั้นแม้แต่ในวันนัดีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกามนิกวาสิถีก็ยังได้พรนาถึงภูเขาหรือว่าเมืองเมืองนี้แต่ให้ชื่อเมืองนี้สมัยว่าเบนจ์คีรีนครแปลวันนครที่มีภูเขาอยู่ห้าลูก แต่ตามหลักคำคำผีพุทธศาสนาแล้วเมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะเหตุที่เป็นเมืองที่พระองค์นั้นได้ปักหลักพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกที่มั่นคงคือกรุงราชคลนึนี้กรุงราชคลึดังนั้นพระโพธิสัตว์นั้นก็ได้ออกจากพรนครแล้วก็ได้ไปประทับอยู่ที่ ล่มเงาที่เชิงเขาปันดวาวนีเพื่อเสวยพระยาหารราชบุรุทั้งหลายติดตามแรงห่างเห็นเช่นนั้นแล้วก็จึงได้รีบ ก, กลับมาทูลแดพพพ่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นก็รีบเสด็จไปเมื่อไปประสบพบกันเข้าก็จึงได้ทูลถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าหรือรผู้เป็นเจ้านั้น ออกบวชจากตระกูลไหนอยู่บ้านเบือเมืองไหนชื่ออะไรพระโพธิสัตว์นั้นก็พระมหาบุรุษนั้นก็จึงได้ทูลตอบแก่พระเจ้าภูมิสารว่าอาตมานั้นเป็นคนตรุงกบิลพัทออกบวชจากศักยะตระกูลชื่อว่าสิทธะกุมาร พระเจ้าพิมพิสารพอได้สดับเช่นนี้ก็จึงได้ทูลขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็หม่อมฉันก็เป็นสหายกันเป็นอธิษฐานอธิษฐาปุพพสหายซึ่งกันและกันคําว่าอธิษฐาปุพพสหายซึ่งกันและกันนี้ก็แปลว่าเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยก็นเนื่องจากว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้ทรงทราบว่าเจ้าชายสิทธากุมารซึ่งเป็น เจ้าชายซึ่งมีอายุไขหรือว่าเป็นคนที่เกิดในรุ่นลาวคราวเดียวกันเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะแห่งกรุงกบิลพัทซึ่งต่อไปในการข้างหน้านั้นก็จะได้สืบสันตติวงศ์เป็นกษัตริย์แทนพระราชบิดาต่อไปดังนั้นกษัตริย์ทั้งหลายในชมพูทวีปนั้น ถ้าหากว่าเห็นกษัตริย์เมืองใดหรือเจ้าชายพระนครใดที่จะมีกำลังพอเข้มแข็งพอจะเป็นพอจะกระทสันทวไมาตรีกันได้แล้วก็จึงได้มีพระราชสารเป็นการเจริญพระราชไมตรีเป็นมิตรสิงกันละกันเพื่อป้องกันภัยอันตรายอันจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ว่าในทงพูทวีปนี้ก็ได้มีกษัตริย์แห่งพระนครต่าง ต่างๆ ต, ต, ต้องการที่จะขยายแผ่พระราชาอำนาจโดยการไปตีชิงเ อ, เอาเมืองจากกษัตริย์องอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสึกสงครามขึ้นแล้วก็จะได้มีพระราชสารขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นพระเจ้าพิมพิสารกับเจ้าชายศิริถากูมานีก็จึงได้มีหนังสือเจริญพระราชสารเจริญพระราชไมตรีเป็นมิตร ซ, ซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องกันอันตรายอันจะเกิดมีขึ้น ดังนั้นก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เคยพบหน้าคาตากันเลยเป็นเพื่อนกันโดยทางจดหมายรู้จักกันโดยพระราชสารนั่นเองพระเจ้าพิมพีสารก็เกิดความจึงดำลิคิดไปว่าการที่เจ้าชายสิทธะกุมาร น, นี้ต้องออกทรง พ, พนวดนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุที่ว่าเกมการเมือบงบังคับหรือเกิดจะเกิดอันตรายขึ้น ก็เรียกว่าถือเพศบรรพชา ห, หรือนักบวชหลบราชภัยเสียหลบภัยอันเกิดจะเกิดจากเกมการเมืองเสียเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจที่ว่าความเป็นเพื่อนกันจเจริญสัมพันธไมตรีเป็นเพื่อนสึ่งกันและกันแล้วพระเจ้าพิมพิสารนี้ก็จึงได้ทูลกราบทูลแก่พระมหาบุรุษว่ายินดีที่จะให้จะแบ่งพระนครเนี่ย หรือราชชสมบัติเนี่ยให้ครองกลุมหนึ่งชักชวนให้อยู่ด้วยกันที่แคว้นมกุทลัตนั้นแต่ว่าพระมหาบุรุษนั้นก็จึงได้อ่ากระจึงได้ทูลแก่พระเจ้าพิมพิสารทรงขอพระทัยในความกรุณานของพระเจ้าพิมพิสารแต่พระองค์ก็ได้ทูลว่าการที่พระองค์ทรงผนวดนี้ มิใช่เป็นเพราะเหตุราชภัยหรืออะไรอื่นๆแต่พระองค์นั้นต้องการที่จะสแสวงหาโมฆขธรรมอันเป็นเหตุที่จะให้พ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้ทรงทราบเพียนี้แล้วก็จึงอนุโมทนาแล้วก็ได้กล่าวว่าถ้าหากว่าได้สำเร็จตรัสรุอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อใดแล้วขอให้กลับมาปลด โยบัง้งพระองค์ก็ทรงรับด้วยดุสเนียภาพพระเจ้าพิมีสานก็จึงได้นำมัสการลากลับพระราชวังเอาละท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็หมดเวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร จเจริญสุขท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เราก็วันนี้ก็จะมาบรรยายบทเรียนพระประถมสมโพธในปริเขตที่เจ็ดต่อในครั้งที่แล้วนั้นได้บรรยายมาถึงตอนที่พระเจ้าปิมิสานอานิมนต์ให้พระโพธิสัตว์นั้น ประทับอยู่ด้วยกันโดยที่จะแยแยแบ่งราชสมบัติให้ให้ครองครึ่งหนึ่งแต่พระโพธิสัตว์นั้นก็ทรงขอบพระทัยในพระมหากรุณาแล้วก็จึงได้ตรัสว่าพระองค์นั้นที่สละเพศออกบรรพชาก็เพื่อที่จะแสวงหาโมกขธรรมอันเป็นเหตุแห่งการพ้นจากความเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายโดยประการทั้งปวง พระเจ้าพิมพิสานก็ทรงอนุโมทนาเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วก็ทูลรัธนาว่าถ้าหากว่าตัดสิรูมายก็ขอให้กลับมาโปรดโยมบาม้างเมื่อทราบว่าพระองค์ทรงรับแล้วก็จึงได้ทูลลากลับส่วนพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารกลับไปแล้ว พระองค์ก็ยังไม่ค่อยจะยังไม่ค่อยจะถนัดหรือเรียกว่าไม่คุ้นเคยในเพศของบรรพชิตก็คิดว่าควรที่จะหาครูบาอาจารย์หรือเข้าไปเรียนในสำนักของครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งดังนั้นพระองค์ก็ได้จากสถานที่นั้นไปก็ไปสู่สำนักของอาจารย์องค์หนึ่งก็คืออ า, าลารดาบทกาลามโคตร ต่นพระอาจารย์ดาบทผู้นี้มีความรู้ศึกษาได้จนกระทั่งมีความรู้ได้สาเร็จจนกระทั่งสมาาสมาบัติเจประการสมมาบัติเจประการนั้นก็ได้แก่รูปฌา 4, นสี่คือปฐมฌานทุทาา ต, ติยฌานตติยฌานและเจตุทาาัตฌานและก็อรูปฌานหรือว่าอารูปสมมาบัติสี่อสามก็ได้แก่อากาสันจายตนะ วิญญาณัญจายตนะอากิจัญญาตนะพระมหาบุรุษนั้นก็จึงได้ศึกษาในสำนักของอาจารย์นั้นจนกระทั่งที่ว่าได้สําเร็จสมาบัติเจ็ดประการเท่าความรู้ของอาจารย์เหมือนกันเมื่อเรียนจบแล้วก็จึงได้ถามได้ถามอาจารย์ว่าความรู้ที่ยิ่งไปกว่านี้มีอีกไหมท่าน การะท่านอาราดาบทก็จึงได้บอกความจริงว่ามีความรู้แค่นี้เองที่ยิ่งไปกว่า น, นี้ไม่มีแล้วก็ทรงยกย่องพระมหาบุุษว่าเป็นคนที่มีปัญญาดีสามารถเรียนรู้ได้เท่ากับอาจารย์และก็จึงได้ตั้งให้เป็นคณาจารย์ที่จะสอนสิทธิ์ต่อไปแต่พระองค์มาพิจารณาไครค์ครวญดูแล้วเห็นว่าสมาบัติเจ็ดประการนี้ยังมิใช่หนทางที่จะ ตัดสลุหรือให้ให้ให้ถึงโมกะธรรมได้ก็จึงได้ลาจากสำนักของอาจารย์ไปไปสู่สำนักของอาจารย์อีกองค์หนึ่งก็คืออุทะกาดาบทรามบุตรท่านอุทะกาดาบทรามบุตรผู้นี้มีความรู้สำเร็จสมาบัติแปดประการในสมาบัติแปประการนี้ก็คือรูปฌานสี่รูปฌานสี่โดยมีความรู้ที่มากหรือว่ายิ่งไปกว่า อาราลดาบทนั่นหนึ่งประการได้กันคืออรูปฌานที่สี่ได้แก่นเนวสัญญาณาสัญญายตนะแต่พระโพธิสัตว์นี้ก็สามารถได้เรียนรู้จนกระทั่งจบความรู้ของอาจารย์และจึงได้ถามถึงความรู้ที่พิเศษยิ่งยิ่งไปกว่านี้พระดาบทก็ตอบว่ามีความรู้แค่นี้เองดังนั้นพระดาบทผู้นี้ก็จึงได้ตั้ง ให้พระองค์สรรเสริญพระองค์ว่าเป็นคนที่มีความมีปัญญาดีเช่นเดียวกับอาราดาบทเมืองกันพระมหาบรุษนั้นทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้แต่ว่าอารูปอาสมาบาัติแปดนี้ก็ไม่ใช่ทางแห่งโพธิญาณคิดที่จะหาหนทางที่จะให้สำเร็จโพธิญานยิ่งไปกว่า น, นี้ ก็มีพระประสงค์ที่จะประกอบความเพียรด้วยพระองค์เองดังนั้นพระองค์ก็จึงได้ลาออกจากสำนักของอาจารย์จาลิกไปจาลิกต่อไปจนกระทั่งถึงอุรุเวลาเสนา น, านิคมประเทศพิจารณาเห็นสถานที่นั้นว่าเป็นสถานที่น่าลื่นลมเป็นสถานที่น่าลื่นลม เหมาะแก่การที่บ่มเพนพควาเพียรเพราะสถานที่นั้นมีดอกอมีต้นไม้เขียวชะอุ่มและก็ไม่ห่างไกลาจากโครจรคามคือบ้านสำหรับที่จะบิธบาทและก็ไม่ห่างไปจากสายนะ้ำเหมาะแก่การที่จะบ่มเพนธเพียงก็จึงได้ยับยั้งอยู่ในสถานที่นั้นและในสถานที่นี้เอง ซึ่งปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้มาพบพระองค์เข้านะซึ่งในขณะนั้นพระองค์กำลังบาเพ็ญเริ่มบาเพ็ญเพียรอยู่ฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นจึงมีความดำลิว่าอาตมาอาตมานี้จะกระทำความเพียรทุกขลักริยาให้ถึงที่สุดแห่งความเพียรอย่างอุกฤษ จึงสเสด็จเข้าไปบิธบัติแล้วก็ทรงปริวิตกว่าอาตามา ย, ยังกังวลอยู่กับด้วยการแสวงหาอาหารก็ยัง ม, มิสมควรจำเดิมแต่นั้นไปเมื่อไปประทับนั่งหนะ้าใต้ต้นไม้ใดต้นไม้หนึ่งก็จะเสวยผลไม้ที่หล่นจากต้นไม้นะั้น และภายหลังเมื่อไปบิณฑบาตมาแล้วได้อาหารมาก็ผ่อนเสวยให้ลดน้อยลงน้อยลงทุกทีจนกระทั่งที่เรียกว่าไม่เสวยเลยนะจนกระทั่งที่ไม่เสวยเลยทรงกระทำทุกรกิกยาจนเคร่งครัดเช่นนี้จำเดิมแต่การที่พระองค์นั้นตัดอาหารเสียคือไม่เสวยอาหารนั่นเอง พระมหาปุริสละขณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการที่พระองค์นั้นประกอบพร้อมไปหรือว่ามีอยู่ในพระองค์นั้นก็อันตรธานไปสิ้นก็เพราะเหตุที่ว่าคนเราเมื่อมมีไม่มีอาหารแล้วร่างกายก็ผ่ายผอมเพราะฉะนั้นน้ำนวนก็หมดจะมีน้ำนวนได้ไปอย่างไรดังนั้นพระองค์ก็เช่นเดียวกัน มหาผริศลขณะสามสิบสองประการแล้วก็อนุพยัญชนะแปสิประการก็อันตราอันตรธานไปสิ้นเหลือแต่พระมังสะเอมังสะและเนื้อพระโลอิมังสะคือเนื้อพระโลหิตก็คือเลือดก็เหือดแห้งซุปผอมยิ่งนักยังเหลือแต่พระตจะคือหนังหุ้มพระอธิคือกระดูกไว้เท่านั้นเองก็คือว่าเนื้อเลือดก็เหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่มาวันหนึ่ง พระโพธิสัตว์นั้นทรงพระประชวรบังเกิดบังเกิดมีพระวรกายนี้อ่อนเพลียอิดโรยโหยหิวเป็นอย่างมากจนกระทั่ง ท, งทรงวิสัญญีภาพคือสลบลงไปและเมื่อได้ทรงสัญญาณฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นว่าดำริขึ้นว่า อาตมภาพนี้ยังประกอบไปด้วยลมหายใจนับว่ายังเป็นความพยายามที่หยาบอยู่จึงทรงกั้นลมหายใจต่อไปอีกเมื่อลมหายใจมิอาจจะออกได้ทางช่องพนาสิทธิคือจมูกหรือท่องช่องพระโอษคือปากลมอันนี้ก็จึงได้ดันดนเข้าไปเพื่อจะออกจากโสตถวารคือหูทั้งสอง แต่เมื่อมิอาจจะออกได้ก็จึงแต่หบขึ้นไปบนพระเศียรบังเกิดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าคือทำให้ปวดพระเศียรและเมื่อลมนี้ไม่สามารถที่จะมีหนทางออกได้แล้วก็จึงหวนกลับไปสู่อุทธรประเทศก็คือท้องทำให้เสียพระอุทธรอย่างแสนสาหัสถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมพิเศษได้ก็จึงตำลือขึ้นไปว่า บุคคลใดๆก็ตามในโลกนี้ที่จะทำทุกรกิริยาอย่างอุกลิตก็ทำได้เพียงแค่นี้เท่านั้นเองคือไม่สามารถที่จะยาทำให้ยิ่งไปกว่านี้ได้คือถ้าทำยิ่งไปกว่านี้ได้ก็คือตายนั่นเองต้องถึงแก่ชีวิตแน่เพราะฉะนั้นการกระทำทุกรกริกริยาได้อย่างยิ่งก็เพียงแค่นี้แล้วการปฏิบัติเช่นการที่ปฏิบัติได้แค่นี้นั้น ถึงแม้แต่บุคคลที่ในอดีตก็ตามหรือปัจจุบันก็ตามหรือแม้ดี่คนที่จะกระทำในอนาคตก็ตามก็ได้แค่นี้ที่จะยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแต่การปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยพระองค์กระทาได้ยิ่งขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้บรรลุเห็นจะเป็นว่าการปฏิบัติเช่นนี้จะไม่ได้ไม่ใช่ทางพระโพธิญาณอย่างแน่นอนในขณะนั้นเองสมเด็จพระอมรินทรราธิราช ก็คือพระอินทร์ก็ได้ทรงพินสามสายมาดิดถวายพระโพธิสัตว์สดับแล้วก็ทรงพิจารณาเห็นว่ามัชฌิมาปฏิบัตินั้นเป็นหนทางแห่งโพธิญาณคือว่ากันโดยปุคขาธิฐานแล้วทั้งกล่าวว่าพระอินทร์นั้นได้นําพินสามสายขึ้นมาดิดคือสายหนึ่งขึงพอตึงคือมันยังหย่อนอยู่เมื่อดิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้เป็นเพลงเพราะได้เสียงก็ไม่เพราะ อีกสายหนึ่งขันจนตึงเกินไปเมื่อดีดแล้วเสียงก็แข็งไม่เพลาะแล้วก็ขาดแต่สายที่ขันพอตึงเรียกว่าเป็นในทันแอบขันประเภทที่ว่าปานกลางไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงไม่ตึงเกินไปนั้นเมื่อดีดเขาแล้วปรากฏว่าเสียงมีซุ่มเสียงอันไพเราะและก็ไม่ขาดด้วยเพราะฉะนั้นก็พระองค์ก็จึงได้พิจารณาเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทานนี่แหละเป็นหนทางแห่งโพธิญาณ มชิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติสายกลางแต่ร่างกายที่ลดทีพระองค์ก็มาพิจารณาต่อไปว่าร่างกายของพระองค์ที่ทุรพลเช่นนี้นั้นนะ่ะมิอาจจ ะ, จะเจริญสมาธิได้คือร่างกายยังกระวนกระ歪หรือเต็มไปด้วยอาการที่ผายผอมและอิดโรยนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําใจนั้นให้สงบระงับเป็นสมาธิได้การที่จะให้สงบระงับ เป็นสมาธิได้ของใจนั้นจะต้องมีร่างกายที่ไม่ประกอบไปด้วยโลกคือร่างกายที่สมบูรณ์ดังนั้นพระองค์ก็จึงดำริขึ้นว่าควรจะเสวยอาหารบํารุงร่างกายเสียก่อนเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาได้เช่นนี้แล้วก็จึงได้ทรงถือบาตรเสด็จออกบิณฑบาตต่อไปฝ่ายปัญจวัคคีนั้น่ะที่มาตามพบพระองค์เข้า คอยอุปถัมภ์บัถาคอยประคองลุก ป, ประคองนั่งในขณะทะี่พระองค์พระองค์กําลังเสวยทุกเวทนาอยู่นั้นคือตอนที่พระองค์บําเพ็ญทุกขการิยาอยู่นั้นก็เกิดความเริ่มสายขึ้นประคับประคองนั่งโดยหวังว่าพระองค์จะต้องตัดสู้แน่โดยหวังเพียงอย่างเดียวว่าพระองค์ตัดสู้และจะได้สอนให้ตนเองได้หลู้ตามบ้างแต่ว่าเมื่อมาเห็นพระองค์นั้นกลับมาเสวยพระกยาหารเสียใหม่ ก็มีความคิดว่าพระองค์นั้นนะบำเพ็ญทุ ก, กรักริยาแล้วก็ไม่ได้ดสดําเร็จตัสรูแล้วตอนนี้ก็เลิกแล้วเลิกความพยายามบำเพ็ญเพียรที่จะตัสรตูต่อไปแล้วกลับมาฉันอาหารเสียใหม่เรียกว่าเข้าใจว่าพระองค์นั้นละความเพียรซะแล้วดังนั้นก็มีความเชื่อแน่ว่าพระองค์นี้ไม่มีทางที่จะตัสรูอย่างแน่นอนก็จึงมาคิดกันว่า และเมื่อเป็นชนีแล้วเราจะมาปรนิบัติอุปถากันเพื่อประโยชน์อะไรเรามีความประสงค์แต่เพียงว่าให้พระองค์ตรัสรู้จะได้สอนเราตามบ้างให้รู้ตามบ้างแต่เมื่อพระองค์คลายความเพียรซะแล้วก็เป็นอันว่าพระองค์หมดหนทางที่จะตรัสรู้และเราจะมาปฏิปริบัติกันเพื่อประโยชน์อะไรดังนั้นเราก็ควรที่จะหลีกไปบำเพ็ญเพียงกันตามตนเองที่ตนเองคิดว่าสมควรเถิดเมื่อคิดได้เช่นนี้แล้ว ปัญจวัคคีทั้งห้าเหล่านั้นก็จึงได้พากันละทิ้งพระโพธิสัตว์เดินทางจากอุรุเวลาประเทศเป็นขนทางประมาณสิบแปดโยตลุถึงป่าอิสิปตนะมลกเทว า, าทายวันใกล้กรุงพาลาณสีนั้นการที่ปัญจวัคคีทั้งห้านั้น ได้มาอุปถัมภะถากพระโพธิสัตว์ในขณะที่บำเพ็ญทุกขละริยานั้นก็เป็นความดีประการหนึ่งเพราะเหตุที่ว่าในการข้างหน้านั้นพระองค์จะได้มีพย า, ยานในการที่จะแนะนําให้บุคคลอื่นนั้นเว้นหนทางทุกขละริยาเสียให้ปฏิบัติโดยมัชิมาปฏิปทานปฏิปทาโดยที่จะมีปัญจวัคคีนั้นเป็นข้ออ้างว่า เคยเห็นพระองค์กระทามาแล้วไม่มีทางสําเร็จได้นี่เป็นประการประการที่สองเมื่อพระองค์ละการบําเพ็ญทุกขลักริยาเสียมาบําเพ็ญเพียรโดยมชิมาปฏิปทาหนทางใหม่อ่าโดยหนทางสายกลางนั้นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ละทิ้งพระองค์ไปก็เป็นความดีประการหนึ่งเพราะการบําเพ็ญเพียรทางใจนั้นต้องอาศัยความสงบ ถ้าหากว่าปัญจวัคคีย์อยู่ด้วยก็คงจะมีการวุ่นวายกันอยู่แต่เมื่อไปไปแล้วเหลือแต่พระองค์เพียงองค์เดียวก็ได้รับความมิเวก ค, ความสงบดังนั้นก็เป็นเหตุที่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญเพียรทางใจให้ได้บรรลุอย่างง่ายนะอย่างง่ายส่วนปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นได้จากพระพุทธองค์ไปอย่างแควนกาสีซึ่งมีพระนครเมืองหลวงชื่อว่าพาราณสี ก็ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกกันว่าป่าอิสิปตนามรุกัยทยวันซึ่งป่า น, นี้อยู่ห่างจากพระนครพาราณสีนั้นประมาณาประมาณ10ประมาณ8ไมล์หรือ12กิโลเมตรสถานที่นี้เป็นสถานที่ขึ้นชื่อในครั้งพุทธกาลอย่างมากว่าเป็นสถานที่นี้เป็นสถานที่เหมาะสมในการบาเพ็ญสมณธรรมเพราะฉะนั้นสถานที่นี้จึงปรากฏว่า มีพวกฤาษีคือนักบวชนี้มาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ใ น, นสถานที่นี้ประมาณถึง500ห้าร้อยท่านด้วยกันป่านี้มีชื่อยาวหน่อยว่าอิสิปตนะมฤกษายวันอิสิปตนะมฤกทายวันนี้ซึ่งมีความหมายว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแกมูลเนื้ออันเป็นที่ตกหรือเป็นที่ประชุมแห่งพฤาษี คำว่าฤศีฤศีนี้เป็นคำกลางๆงแปลว่านักบวชนะซึ่งมาจากภาษาบาลีว่าอิสิแปลว่าผู้สแสวงหาซึ่งคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือได้แก่นักบวชทาไมหรือสถานที่นี้จึงเป็นที่ตกแห่งพฤษีหรือว่าเป็นที่ชุมนุมแห่งพฤรศรีก็เพราะเหตุว่าสถานที่นี้นั้นเป็นสถานที่น่าลื่นลงสําหรับคนที่จะบําเพ็ญทุกกรภิยาคือคนที่ละเคหสถานบ้านเลือนแห่งตน ละครอบครัวละทรัพย์สมบัติที่จะบำเพญ็ญมรดผลนิพพานให้เกิดเป็นสถานที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นฤาษีชีพายทั้งหลายก็จึงได้ไปชุมนุมกันอยู่ในสถานที่นี้แต่ประชาชนทั้งหลายเข้าใจว่าฤาษีใ น, นป่าเนี้เป็นป่าที่ศักดิ์สิทธิ์ฤาษีตอนใดก็าตามที่เหาะมาแล้วไม่สามารถที่จะข้ามป่านี้ได้ต้องตกทุกท่านด้วยกัน แต่ความจริงแล้วเหตุที่ทำให้ฤาษีตกนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าท่านพิจารณาเห็นว่าสถานนี้เป็นที่ลืล่นหลงก็ลงพักการอา่าพักเพื่อจะบำเพ็ญทุกอา่าบเพ็ญสมณธรรมด้วยกันทุกท่านซึ่งประชาชนเห็นว่าคิดว่าพระฤาษีนี้ป่านี้มีฤทธิ์พระฤาษีข้าไมไปไหนต้องตกทุกท่านจึงได้ให้ชื่อว่าอิสิกปตนะส่วนมนลรกทายวันนั้น คำว่ามลดกไทย ว, วันนี้แปลว่าเป็นที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อคือตามประวัติกล่าวว่ากล่าวไว้สองในเดีกันคำว่าเป็นที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อนี้ก็คือตามประวัตินั้นกล่าวไว้ว่าครั้งที่พระเจ้าพรมทัตได้เสวยราชสมบัติปกครองที่กรุงพา ร, รุงพาณสีอยู่นี้คือ กรุงพหลนสีนี้กษัตริย์ที่ปกครองเมืองนี้จะมีนามว่าพระเจ้าพรหมทัตเสมอไปจะมีนามคําว่าพรหมทัตเสมอไปทุกๆพระองค์จะเรียกอย่างนั้นแต่พระเจ้าพรหมทัตนั้นจะมีนามว่าอย่างไรก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับในครั้งโบราณกาณนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีทิยาอ่าตั้งแต่สมัยกรุงแอกกรุงศรีทิญานี้หรือว่าสมัยที่กรุงอืม ภูมิรสนาโกสิงก็ตามในการที่เจริญสัมพันธไมตรีนั่นประเทศไทยเราก็มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นเราเรียกกษัตริย์กรุงอประเทศจีนว่าพระเจ้ากรุงจีนเสมอไปแต่ว่าจะเป็นองค์ใดก็สุดแท้แต่แม้ทางจีนก็จะเรียกกษัตริย์ทางเมืองไทยว่าพระเจ้ากรุงสยามเสมอไปเช่นเดียวกันดังนั้นคําว่าพระเจ้าพรมทัตนี้เป็นตําแหน่งแห่งกษัตริย์ที่ปกครองกรุงพาลาณสี พระเจ้าพระมทัต์นี้พระองค์นี้มีนามว่าอย่างไรก็ไม่ปรากฏพระองค์นั้นเวลาเสวยพระกยาหารขาดเนื้อไม่ได้จะต้องมีเนื้อสัตว์นี่เป็นอาหารประจําทุกมือ้อดังนั้นพระองค์ก็เป็นมีพระไทยในการที่ชอบล่าสัตว์เมื่อพระองค์จะออกล่าสัตว์ก็ได ชักชวนอัมมาต ร, ราชบริพารพวกทหารทั้งหลายก็ต้องปอกคอยป้องกันอันตรายไม่ให้สัตว์ ร, ร้ายนั้นที่จะมาทําร้ายพระองค์ได้ก็เกิดความลําบากแก่พวกขราชบริพารเป็นอย่างมากการงานที่จะได้ทําให้สําเร็จเล็วก็เป็นการข้างค้างพวกขราชบริพ า, ารอัมมาศทั้งหลายก็จึงนําปรึกษากันว่าพระเจ้าพรหมทัตนี้เป็นผู้ที่ชอบในการที่จะล่านเนื้อเล่นกีฬาชอบกีฬานในทางล่านเนื้อเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ลําบากมาก ต้องคอยระวังตนเองในการที่จะถูกเนื้อลายก็ยังไม่พอต้องคอยระวังชีวิตของพระองค์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหาป่าสักแห่งแวดล้อมไปดินลัวแล้วก็ไล่ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาอยู่ในลัวเดียวกันแล้วก็สร้างห้างขึ้นเมื่อพระองค์นั้นต้องการที่จะล่าสัตว์เป็นกีฬาครั้งใดก็ตาม ก็ให้พระองค์นั้นสเสด็จขึ้นนั่งสร้างแล้วก็ยิงสัตว์เอาเองเมื่อพวกอามาะทั้งหลายคิดได้เช่นนั้นแล้วก็จึงได้จัดสถานที่แห่งหนึ่งแวดล้อมไปไดินล้วไม้ต่างๆแล้วก็เปิดประตูไว้ต่างคนก็ต่างออกไปในป่าไล่ตีป่าทั้งหลายให้เนื้อตกใจแล้ววิ่งเข้ามาอยู่ในภายในบริเวณนี้แล้วก็ปิดประตูเสียประตูป่าให้อยู่ภายในป่าสงวนแห่งนี้ ก็จึงได้สร้างห้างขึ้นเพื่อสําหรับให้พระเจ้าพรมทัตเนี่ยประทับยิงเนื้อประทับยิงเนื้อพระเจ้าพรมทัตนี้เมื่อพระองค์มีความประสงค์ในการที่จะล่าเนื้อพระองค์ก็ไปสถานที่นี้ตามที่เขาได้จัดทําไว้ก็ทําให้พวกอํามาต ร, ราชเบรุษนี้สบายทัพสบายใจขึ้นมากและก็ได้ทําภารกิจหรือกิ จ, จา ก, การบ้านเมืองได้มากขึ้น พระเจ้าพียพระมรรทนี้ก็จึงได้ล่าเนื้อตามที่พระองค์นั้นได้ประสงค์ไว้แล้วก็ได้นําเนื้อนั่นแหละมาให้ในวิเศษคือพ่อครัวนั้นได้ปรุงเป็นอาหารเป็นประจําในบรรดาเนื้อทั้งหลายที่เข้าไปอยู่ในป่าแห่งนั้นในป่าสงวนแห่งนั้นมีเนื้ออยู่ด้วยกันสองอสองพวกพวกหนึ่งเป็นเนื้อของพระโพธิจัก์ คือองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นในขณะที่ยังบมเพนบารมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเกิดเป็นพยากวางทองเคยเกิดเป็นพยากวางทองชื่อว่า น, นิโคตอันนิโคตและก็มีบริวารที่เป็นเนื้ออยุกกลุกและก็นในที่ป่าสงวนนั่นเองก็มีเนื้ออีกพวกหนึ่งซึ่งเนื้อนี้ท่านบอกว่า ได้แก่เป็นเนื้ออันเป็นฝอกฝ่ายของพระเทวทัตซึ่งพระเทวทัตนี้ก็ได้เกิดเป็นพยานเนื้อเหมือนกันมีนามวสาขาพะพยานเนื้อมีนามวสาขะได้มาอยู่ปวงในสารที่นี้พยานเนื้อทั้งสองฝ่ายนี้ก็จึงได้ปรึกษาตกลงกันว่าเมืาา่อพระโพอิ์เมื่อพระเจ้าพระมทัทต์มายิงสัตว์นั้นพวกเราทุกคนนั้นไม่รู้ว่าใครจะถึงแก่ชีวิต เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็หวาดเสดุ้งกลัวต่อความตายด้วยกันทั้งนั้นต่อไปนี้เรามาผัดกันดีกว่าคือโดยการจับสลากกันคือหมายความว่าวันนี้ครั้งนี้อพระเจ้าโพธมทัตว์เสด็จมาล่าเนื้อก็เป็นหน้าที่ของเนื้อของฝ่ายพระโพธิสัตว์ที่จะต้องไปตายโดยให้จับสลากกันใครโดยถูกใบสลากที่ตายก็ ไปเดินล่อๆต่อพระพักของพระเจ้าพรหมทัตเพื่อให้พระเจ้าพรหมทัตเนี่ยยิงเอาสัตว์ตัวนั่นไปและก็วันต่อไปก็ถึงฝ่ายของพระเจ้าอาของฝ่ายพระเทวทัตคือเนื้อสาขาเป็นพยานเนื้อฝ่ายนั้นทางฝ่ายนั้นก็ให้จับสลากกันว่าใครถึงคราวตายก็ให้เดินผ่านกันเมื่อตกลงกันได้เช่นนี้แล้วพวกเนื้อทั้งหลายก็ถึงเวลาปฏิบัติเช่นนั้นเพราะฉะนั้นว่าวันใดก็ตาม ถึงเวงของบุคคลของเนื้อตัวใดที่จะตายเนื้อตัวนั้นก็ไปเดินผ่านหน้าพระเจ้าพรหมทัพเนื้อหนองนั้นก็หลบไปพระเจ้าพรหมทัพทรงในราบเข็นนี้ขึ้นพระองค์ก็ทรงยกเว้นพยานเนื้อกวางทองอยู่ตนหนึ่งที่พระองค์จะไม่ฆ่ายกเว้นคือเนื้อพรโพธิสัตว์ดังนั้นเมื่อเนื้อตัใดผ่านต่อพระภาคของพระองค์พระองค์ก็ยิงเนื้อตนนั้นและก็เสด็จกลับ โดยนําเนื้อตัว น, นั้นนั้นมาทำปรุงเป็นอาหารให้พระครัวปรุงเป็นอาหารต่อไปอยู่มาวันหนึ่งแม่เนื้อตนหนึ่งกำลังมีคันแก่ซึ่งเป็นเนื้อของฝ่ายพระเทวทัตหรือฝ่ายเนื้อสาขาับจับต้องฉลากที่จะต้องตายแต่ว่าตนเองนั้นสงสารลูกในท้องก็ไปผลัดต่อพระเจ้าอ่าต่ อ, อไปผลัดต่อพระเทวทัต ว่าขอให้นำเนื้อตัวอื่นน่ะไปตายแทนก่อนขอให้ตนเองแล้วคอดลูกซะก่อนแล้วก็จะยอมที่ยินดีจะไปตายให้แต่พระเทวทัตไม่ยอมในเรื่องนี้ก็น่าจะเห็นใจเพราะใครเล่าอยากจะตายก่อนถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็อยากจะอยู่ดีกว่าจะตายในวันนี้ก็จึงไม่รับไม่ยอมด้วย นางเนื้อผู้นี้ไม่มีที่พึ่งแล้วก็จึงได้พระเจกฝูงของเทวทัตเข้ามาหาพระโพธิสัตว์ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพระโพธิสัตว์ก็เห็นใจว่าแม่เนื้อนี้คันแก่แล้วท้องแก่แล้วจะคลอดสงสารลูกในท้องเพราะตัวเองตายแล้วลูกในท้องจะตายด้วยให้คลอดลูกซะก่อนแต่ใครเล่าจะสมัครไปตายก่อนแต่ว่าด้วยสงสารแม่เนื้อนี้พระโพธิสัตว์ก็รับ เมื่อถึงกลาววันนั้นอ่าเมื่อถึงคราวที่พระเจ้าโรมันทัสเสด็จที่จะไปยิงเนื้อพระโพธิสัตว์นี้ก็จึงได้เดินผ่านต่อพระพักของพระองค์พระเจ้าโรมันทัสก็ไม่ทรงยิงและจึงได้ถามว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรเพราะตรอ่าเพราะพระองค์นั้นทรงอนุญาตแล้วสำหรับเนื้อพญานเนื้อกวางทองนี้พญานเนื้อก็จึงได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังดังนั้นพระเจ้าโรมทัสนี้ก็จึงได้ยกเว้น ยกให้อภัยแก่นางเนื้อนั้นดังนั้นพระโพธิสัตว์ก็จึงได้ถือโอกาสว่าขอให้ยกเว้นชีวิตแก่เนื้อทั้งหมดในที่นี้แล้วก็จึงได้เทศนาอาจึงได้เทศนาสอนพระเจ้าพรหมทัตให้อยู่ในสในธรรมพระเจ้าพรหมทัตนั้นเกิดความเลื่อมใสแล้วก็จึงยอมยกให้ในสถานที่นี้ว่าไม่ยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะมาทำร้ายเนื้อที่อยู่ในป่านี้ แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทำร้ายและก็ไม่ยิงสัต่อไปที่นี้เพราะฉะนั้นสถานที่นี้จึงได้ชื่อว่ามรุกขายวันแปลว่าป่าสำหรับให้อภัยแก่หมู่เนื้อนี่เป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งท่านกล่าวว่าเพราะอำนาจของพระฤาษีที่มาบาเพ็ญตบะในป่าแห่งนี้เนื้อทั้งหลายที่เป็นศัตรูกันจะเป็นงูกะกบก็ตามหรือเสือกับระมังก็ตาม เมื่อขับกันมาเพื่อจะเพื่อขับกันมาแล้วในสถานที่อื่นเมื่อเข้ามาอยู่ในสวนป่านี้ทุกตัวนั้นก็จะมีจิตที่เป็นเมตตากรุณาซึ่งกันและกันให้เอาภัยซึ่งกันกบก็ไม่กินงูไอ้งูก็ไม่กินกบเสือก็ไม่กินเนื้อเพราะฉะนั้นสถานที่นี้จึงได้ชื่อว่ามะลึกคธาญวันเอาละท่านนักศึกษาและสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ขอหยุดติไว้แต่เพียงแค่นี้ ขอความเจริญพาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกๆ ท, ท่านด้วยกันขอเจริญพร